ในความลู่ตัวทำทั้งหลายนี่สตินี่เหมือนลอยเท่าของช้างลอยเท่าของสัตว์อื่นมารวมลงที่ลอยเท่าช่างได้หมดทุกรอยทำทั้งหลายก็เหมือนกันออกจากที่ได้คือสติอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าผ่านอย่าอยู่มันหลงก็รู้ผ่านไปแล้ว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 ก่อนบริพารก็บอกพั้สุดท้ายเป็นพระวจ a พิมพสอนอันมีในขั้งสุดท้ายของพระตรรมคุเจ้าว่าเธอทั้งหลายจะได้ประมาทคือมีสติเนี่ยมีความรู้สึกตัวมาเห็นมารู้รู้กายเคลื่อนไหวไปมาประกอบมันเคลื่อนไหวถ้าไม่ประกอบมันไม่มีมันจะมีตัวหลงมาก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 อยู่บนนามธรรมเนี่ยมันมีรูปอีกกันึ่รูปอันนั้นอ่ะมันสร้างปัญหาังถ้าเราไม่เห็นมันถ้าเราเป็นสุขถ้าไม่เราเป็นทุกข์ได้เห็นเป็นสุขเป็นทุกข์แต่พะว่าเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันเป็นอาการไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์แต่ก่อนเรามาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นโกรธเป็นหลงเป็นกิเลสตัณหาราคะถือว่าเราเพราะอะไรเราจึงถือเพราะไม่เห็นแต่ก่อนไม่เห็น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 ถ้าเป็นานามมาทำคือวิญญาณลูกก็ไปได้ทุกที่ทุกทางคิดอะไรก็ได้คิดไ ด, ด้แต่พื้นเพือลมชั่วของผิดความถูกอะไรต่างๆคิดได้คิดดีล่อยพอมาเห็นโอ้ลูกทุกนามทุกก็ตื้อเหลือล้นช่วยเหลือช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนามนะโอ้ยมันเป็นมรรคเป็นผลตอบสนองกจกกองโชบุรีเอ้าหลุดไปเลยบุรีไม่ได้อดมาเห็นทุกเนาะ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 ภาคามาเพื่อ น, นั้นอะาก็ต่อสู้ความยากความจนได้โอ้โอ้ยสงสารลูกสงสารจนน้ำตาเสือมมาพ่อก็ไม่มีพ่อไม่บอกไว้สอนแม่ก็ไม่คอยบอกคอยสอนเพราะแม่ก็ไม่รู้โอ้ลองมาลูกเลยเนี่ยเขานู่ปทุกน้ำทุกการกอบกู้รูปกจำที่ให้พ้นจากทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภูมิัจ เหมือนลงตาปลูกปาปลูกต้นปาปลูกต้นง่ายมันดีมันโตบจะหนองโตจะหนองอยังไงมันเหี่ยวเราน้ำไปล้นมันแล้วก็ชื้นเบินขึ้นมามันตตบจรนองโตขึ้นมาแล้วมันตขจรหนองเหมือนกับเรามีคอมพิวเตอร์ในชีวิตเราต้นง่ายต้นใดที่เราปลูกไว้แล้วก็ไป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 มาเป็นหัวใจทีนี้แต่ก่อนมนก็หนุ่มอาจจะดีแน่นนะเดี๋ยวนี้เกิดทุดโทรมลงไปแล้วก็ซ่อมแซงต่อแตก่กอนป่วงเข้าจีนเสาขาดขึ้นไปนั่งไหนงอนแยนงอนแยนก็มาต่อมาทําใหม่อันนี้ก็ไม่เที่ยงของลูกไม่มีน้ําอันชีวิตเราก็เหมือนกันนะมันก็มีความไม่เที่ยงมันไม่ใช่แล้วก็ไหลไปของวันอยู่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 ควบโกดเป็นสมมุติบัญญยัดควบไม่โกดเป็นปรมาจิตจักควบโกดดีไหมเราก็รู้ว่าไม่ดีแต่เราทําไมจึงโกดเมื่อบัญมันหยัดเราก็ไปตามมันหยัดมันหยัดเอาทให้เราโกดทําให้เราทุกทําให้เราลักเราชังอะไรต่างๆมัญญัติเอาบัญญัติเอาเองต่างกันบางคนบัญญัติเอาความสุขอาจจะเป็นความทุกข์ของคนอื่นบางคนบัญญัติเอาความสุขความทุกข์ของคนอื่นอาจจะเป็น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 ไม่มีคำถามแบบนี้โอ้เรามีศินแล้วมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ปรมัติตเนี่ยไม่ใช่เป็ฯขอแล้วก็ปกติอยู่นี้กายก็ไม่ทําบาปทั้งชั่วอะไรใจก็ไม่ทําบาปทั้งชั่วอะไรแม้แต่คิดคก็ไม่กล้าคิดโอ้เราก็มีสินสินคือเจตนาสินนี่คือหนักแน้นสินมาจากคําว่าชิลาชิลาคืออะไรคือก้อนเหินไม่วันไหว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 เคยสอนขนปลูกคนไหวประครับประคองเหมือนเราลูกอ่อนลงใส่อู่ใส่เปลเวลเอาถุงเอาต้นไม้ออกจากถุงประคับประคองสองมือเหมือนเอาเ อ, าอากต้นไม้ลงหลุมเหมือนเอาลูกอ่อนลงใส่เปลนอนค่อยๆไมน่รู้ว่สาสมาธิทำอะไรก็เป็นมั่นใจมั่นใจมั่นใจไม่สองจิตสองใจอ่านหนังสือก่อนหนังสือ สมให้สอบอักธรรมชั้นเอกนะอ่านภาจิต ด, ดูสิทัดลองดูสิสองเที่ยวจําได้ไหมสามบรรทัดภาจิตของทรรมเอกก็ต้องให้สามบรรทัดเช่นว่ า, วามโนปุฟังเข้ามาธรรมานี่แถว ห, น, ห, น, ห, น, ห น, นึ่งมโนเสถามารวยานี่แถวหนึ่งทำทั้งหลายมีใจเป็นใ่มีใจเป็นหน้าว่าสองรอบให้ได้มันมีสมาธิเลย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 เพราะอะไรเพราะไม่มีสมาธิในการทํางานก็เลยบอกว่าไปวางตรง น, นั้นลองดูสิให้เป็นขั้นก้อนหินไว้ไปเราลงปวดมันจะไม่หินที่เรามาปูเนี่มันจะไม่กระเด็นเด า, เายกออกยกกรวงังไปวางเป็นแถวขั้นหินไว้สวยงามตําไร้บัณฑีถ้ามีสมาธิไม่ใช่มานั่งหลับหูหลับตาไปทํางาน ห้องครัวก็สะอาดที่นอนก็สะอาดเรียบร้อยเสื้อผ้าก็สะอาดศีลมันไปอยู่ในบ้านในครัวในที่ทํางานโต๊ะ เ, เก้าอี้ของอยู่ของกินสะอาดเรียบร้อยโอ้เราไม่ศีลเนอศีลน่ยไม่ใช่ไปรักษากายวาจาเรียบร้อยชื่อว่าศีลออกมาเรียบร้อยหลายๆอย่างศีลโอ้ไปรูปศีลรูปสมาธิรูปปัญญาศีลกำจัดกิเลสได้จริงๆอ่ะ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 มันทระ ก, กับอะไรมา แ, ก, แ, ก, แกลกแกลกงแล้งองอยู่ว่าฟังเสียงอยากไ่เห็นตัวมันฟังแต่เสียงแล้วก็หันหน้าไปทางมันล้องอยู่ว่านั่งหันหน้าไปทางนั้นเสียงมันก็มีสองเสียงเสียงกาแตก็ล้องแกๆๆๆแกล้งแกล้งก็กกกอีกเสียงก็เนี้ยก็ฟังมาฟังมาเอมันกาเตไล่งูมากาแตมันออกลูกงู เขามันไปทางนั่นมันก็ไล่อ่าก็กัดหางเลื่อยไปกัดแต่ก็เว่งกัดฉางงูโหก็คืนมาฉกมันก็คืนมาเอาไปมากระแต่กัดไล่มาไล่มาเหมือนนกกังเฉนถ้าเหงูเขียวมามก็สมัยนึงก็มีนกกังเฉนมาอยู่ก็ปบวยจากน้ำอ่าเมื่อก็ไล่งูได้กแต่มันไล่งูมหาเราเราเลืนตาเยอะอ่าแล้วก็มีกติเตียง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 แต่ว่าเสมอกัรด้วยสามัญลักษณะคือเหมือนกันเปล่าเพาใช่วิเศษวิจามาจากไหนเอาวันนี้ก็พูดให้ฟังเนาะ